ที่พระสารีบุตรแลพระมุคคลาฟังว่าทำใ ด, ดเกิดแต่เหตุพระผู้ไดเจ้าทรงตัดเหตุของทำนั้นและความดับเหตุของทำนั้นสมเด็จเป็นมหาสมณะตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเด็จพระโสดาบันแล้วต่อมาพระโมคคลาฟังท้ายกรรมาฐานสี่จบ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 ก็ในนั้นมีเท่าสมถะและวิปัสนาครอบอยู่แล้วถ้าท่านทำเข้าถึงจริงๆท่านก็เป็นอราหันตุกโองวันนี้เมื่อฟังธรรมของท่านแดนสองเราก็ลงมาทำของท่านแดนสองที่ฟังจากพระพุทธเจ้ามาพิจรารณาที่พระมหามมคลาฟังธาตุสี่เขาฟังกันยังไง ในพระบาลีทิ้งกล่าวว่าสุดสูงสังและพติปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่นแดงว่า เ, าเวลาเขาฟังกันนะเขาฟังแล้วเขาก็คิดใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาท่านมีปัญญามากบวคคมาจิตวันก็ไปอนอรหรัน แล้วก็อีกองหนึ่งคือรวสารีบวชสิบห้าวันเป็นอรหันต์แต่สำหรับท่านที่มีปัญญา น, น้อยคือบริวารฟังเทศจบเดียวก็เป็นอรหันต์ใครควรตรงนี้ให้ดีนะครับหรือว่าเราบวชกันบวชเพหวังคำว่านิพานัาสาสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตโตวา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 แปลว่าสำหรับท่านอังหลายที่ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระทศพลท่านคิดตามว่าธาตุสี่มันไม่ใช่อยู่ที่ข้างนอกธาตุสี่ธาตุาดินไม่ใช่อยู่ที่แผ่นดินธาตุน้ำไม่ใช่อยู่ในแม่น้ำลาคลองและในทะเลในมหาสมุ <c oughs> ทรธาตุไฟไม่ใช่ไฟในเตาหรือไฟที่ตะเกียง ธาตุลมไม่ใช่ลมพัดในอากาศนี่หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่มันประ ก, กอบไปได้วยธาตุสี่ของที่มีสภาพแข็งเช่นหนังเนื้อกระดูกอย่างนี้เรียกว่าธาตุดินเศร็จน้ํารายน้าเลือดน้ําเหลืองน้ ำ, ะะนำหนองปัสสาวะน้ําเหงื่อน้ําใครอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ํา การพัดไปมาในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นตน้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟีนร่างกายของเราเจะทรงอยู่ได้ก็เพราะว่าธาตุสี่มันมีความสามัคคีกัน ถ้าธาตุสี่นี่มันยังมีกำลังสมำเสมอกันเสี่ยงใดร่างกายของเราก็เป็นร่างกายที่ปกติมีความสมบูรณ์เปล่งปรั่งไปด้ผิวผันวันนะกำลังวางชาก็ดีแต่ว่าธาตุสีนี่ถ้าปราศจากความสามัคคีกันขึ้นมาเมื่อไรธ <c oughs> าตุน้าลดหย่อนลงไปร่างกายก็สุดโทม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 มีประโยชน์ไม่พอรลี้งกับร่างกายร่างกายก็ไม่สามารถจะสร้างกําลังให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้นีธาตุดินที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในเมื่อหาของไปเสริมไม่ได้มันก็ ย, อยออก่อยหย่อนลงไปอย่างนี้ก็เกิดโรคธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายสลายตัวไปย่อยหย่อนลงไปความเย็นมันเกิดขึ้นมามาก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 แล้วก็ธาตุดินนี่มีสภาพเสื่อมเมื่อเสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดแั้นก็สลายตัวทงังถา้าพิจารณาอย่างนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเตรีว่าธาตุดินมันนันด่างกายมีธาตุสีเข้ามาไปชุมกันนี่เป็นสมถะภาวนา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 ในเมื่อเปอร์เซ็นต์มันลดลงไปเท่าไหรความสุดสรงของร่างกายก็มีมากเท่านั้นไม่ไดีสุดธาตุใดธาตุหนึ่งหมดสภาพถ้าธาตุดินหมดสภาพอาหารที่เข้าไปปนเปื้อนในร่างกายไม่มีประโยชน์กับร่างกายการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในที่เรียกว่ตับไ ใ, ใส่ปลอด นื่ว่าม้ามีหัวใจเป็นตนที่ทํางานหรือว่าตาก็ตามที่ทํางานเพื่อเป็นการบํารุงทรงไว้เส้นร่างกายให้ปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็นดิ่งมันย่อดย่อนกําลังลงไปทํางานไม่ปกติร่างกายก็โทมกลายเป็นคนป่วย <c oughs> ถ้ามันย่อนกําลังลงมากก็กลายเป็นคนป่วยที่ลุกไม่ขึ้น เนื่องว่าธาตุน้ำหย่อนลงไปยังท้องร่วงหนักๆเนือว่าคนที่เป็นโรคอหฮิวะธาตุาน้ำน้อยถอยลงไปความร้อนมันก็เกิดเพราะอะไรธาตุน้ํามันต้องทนเดพอเด็ดพอ ด, ดีก็บธาตุไฟมันยังจะมีความอุ่นพอสมควรถ้าธาตุน้ำน้อยลงไปธาตุไฟมันก็มีกำลังสูง ความจริงกําลังมันเท่านั้นแต่ความร้อนมันกส็สูงเพราะไม่มีธาตุน้ำมาเชื่อมต่อต้านจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคท้องร่วงมีความร้อนภายในมากนี่เป็นอย่างนี้เอาว่าธาตุไฟมันน้อยป่าน้อยไปธาตุดินสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุน้ําสมบูรณ์ ธาตุไปย่อหย่อนลงไปจับร่างกายที่ไหนก็จะไม่ได้ความเย็นชื้อย่างนี้ก็เป็นโรคลุกไม่ไหวเหมือนกันกำลังกายมันก็สิ้นมันก็เสื่อมถ้าธาตุลมย่อหย่อนลงไปให้ใจไม่เส้นดวกให้ใจไม่ทั่วท้อมทีเดีเรียกว่าอย่างนั้นความคล่องขั้ลมให้ใจไม่มีรสชาติแห่ร่างกายมันก็รวนไปหมดความอ่อนเปรีย้ยของร่างกายก็ปรากฏขึ้น นี่พิจรารณาแบบนี้เป็นพิจารณาการพิจรารณาทั้งสมถะและวิปสัสสนา ร, าร่วมกันเราก็ต้องนั่งคิดต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วย ธ, ธาตุสีน่นี้มันทรงสภาพตลอดการตลอดส ม, มยัมยไหมเราดูตัวเราอาจจะไม่เห็นดูคนที่เขาแก่กว่าเรา คนแก่ทุกคนน่ยเขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนถ้าจะขอภาพถ่ายและภาพเขียนในวัยรุ่นเนื้อความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเห็นว่าท่านบนนี้มีร่างกายเปล่งปลั่งสวยสดสดงามมีความอิ่มอิบสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าเวลาที่ท่านแก่ลงไปดูสภาพของท่านเป็นยังไงมันน่ารักตรงไหนไหม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 เป็นท่าธาตุสี่แล้วก็มรณาโนสติกรรมฐานเป็นสมถะภาวนาแล้วก็ล่วงต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่นี้ที่เรารักใคร่ปรารถนาว่าเป็นเราเป็นพวกเราบางดีเห็นคนก็มีผิวพรุ์ร่างกายอิ่มเ อ, อิบมีความรักมีปรารถนาะมีความใคร่อยากจะได้เป็นคู่ครอง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 ในร่างกายนี้มีสภาพสะอาดจจะว่าสกรปรกอันเปดูจาระปัสวะน้ำเลือดตำเหลืองน้ำหนองที่มีอยู่ในร่างกาย <c oughs> จะเห็นว่ามันสกรปรกสิน้นดีเป็นที่ระเกงของเราตัวนี้สำคัญมากท่านทั้งหลาย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 ถ้าเห็นว่ามันสกปรกจะชื่อว่ามีอสุภกรรมฐานประกอบถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นการตัดราคะความรักทิมรากฏในจิตแต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรีสอนกับพระโมคัลามุ่งเฉพาะวิปัสนาญาณเป็นสำคัญ องสมเด็จพระพระกทวันทรงแนะนำว่าเมื่อร่างกายรประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุสี่นี้มันเป็นเราจริงจริงหรือมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่านึกว่าเรามีในธาตุสี่ธาตุสี่มีในเรานั่งพิจารณาดูว่าธาตุสี่เป็นเราเป็นของเราจริง เนื้อเราเป็นธาตุสี่ธาตุสี่เป็นเราจริงคำว่าเรามีความปรารถนาไหมที่จะให้มันแก่มีใครเคยนั่งภาวนาพิจารณาใคร่ควนบนบานใา้กล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามและเทพเจ้าที่ไหนก็ตาม่จาจะประคุณให้ร่างกายชิ้แก่เร็วๆเถอะอย่างนี้มีบ้างไหม นรือว่าภาวนาไปวเจ่าจะบุณหน่อยค่อยร่างกายของเรามีโครคภัยไข้เจ็บกราบหนักๆมันจะได้ไม่ต้องทํางานกับเขาอย่างนี้มีบ้างไหมหรือว่าบนบานสากล่าวหาผู้พิเศษมาเสกให้ร่างกายของเรานี้มันตายไวๆความปรารถนาอย่างนี้มีใครบ้างในโลก นอกจากคนที่มีความทุกข์เข้ามาบีบคั้นจริงๆหรือ ว, ว่าตายหนีหนี้ตายเพราะโกรธคนรักตายประท้วงในชีวิตเขาเ้าบอคนอื่นประท้วงความคิดเห็นเขาบอกคนอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาวิปลาสหรือ ว, ว่าคนที่มีสติสมัญญาสมบูรณ์เน่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เลยบรรดาท่านหลาย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 นี่เป็นการพิจารณาการสามิสองในร่างกายที่เรียกคำว่ากายยกตานนสติเห็นว่าธาตุสีเต็มไปด้วยความสุกสงบโสมมมนี่เป็นอสุปกรรมฐานเห็นว่าธาตุสีในที่สุดมันก็จะต้องตายเป็นมรณะโนสติกรรมฐานเอ็นว่าธีนี่มันมีอาการไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติ ถ้าจิตเราเข้าไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวที่เาวานตาไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดเจะถือมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นวิปัติชนัยานเราก็ว่ากันที่เดียวหลายๆอย่างองค์สมเด็จพระสัมม า, ส, มาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโกคลา เห็นว่าธาตุสีทั้งหมดนี้เป็นของเป็นเธอพระโมคคายก็ทรงต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะหรือถ้าว่าธาตุสี่มีในเธอเธอมีในธาตุสี่ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะในเมื่อธาตุสีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีในธาตุสี่ธาตุสีไม่มีในเราเราควรจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปหรือ ก็ตอบพระโมคคัลลานก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะยิ่งกล่าวว่าโมคคัลลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงวางคันภาระในท่าสีนี้เสียจงคิดดูว่าท่าสีนี้เป็นได้เพียงรนร่างที่เราอาศัยชโชคราวเท่านั้นท้าสีนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา ถ้ามันเป็นเราจริงมันก็ต้องไม่แก่เพราะเราไม่อยากให้มันแก่แล้วถ้าสีนี่เป็นเราเป็นพวกเราจริงมันก็ไม่ต้องไม่ป่วยที่เราไม่เพราะไม่เราไม่อยากให้ไม่ป่วยถ้าสีถ้าเป็นเราเป็นพวกเราจริงมันก็ตรงดึงไว้ได้ที่มันจะต้องไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายไม่ตายโมคคลานะเธอเห็นแล้วได้อย่างว่าถ้าสีนี่มันไม่ใช่เรา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 ยังมีความหลงในรูปโฉมหนมพันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรายังผูกพันในความโกรธความพยายาบัตยังมีความหลงไหลฝ่ายฝันว่าสุสียงทุกอย่างมันจะส่งตัวอย่างนี้ก็มีอุเบกมาเหมือนกับคนที่กำลังแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในที่สุดก็จะถูกสัตว์ร้ายในน้ำ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 ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายที่ ป, ประกอบด้วยธาตุสี่อันเป็นร่างกายที่จิตใจเกาะ อ, อยู่กวดีร่างกายของคนแต่ในส่ ก, กว่าดีหรือว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกกวดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นสรรพเป็นที่ผู้งได้ <c oughs> เมื่อถึงการถึงสมัยแม้ก็ต้องสลายตัวไป ถ้ามันไม่สลายก่อนเราก็สลายก่อนถ้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจของข้าพระพุทธเจ้าเบาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระมหาโมคคัลากราบทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้สมเด็จพระมหามุนีจึงได้ทรงตรสงัสว่าโมคัลานะ กิจในที่เธอผือเธอมีความปรารถนาไว้ว่าเธอต้องการแดนอมะตะ อ, อความที่ไม่ตายเธอก็ถึงแล้วคนที่ยังเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ mm. ก็เพราะว่ายังหลงไหลไฝ่ายฝันในขันห้าว่าเป็นเราเป็นข้อเราถ้าเราปล่อยขันห้าได้เมื่อไร่ขณานั้นชื่อกิจที่ต้องตายไม่มีแล้ว องค์สมเด็จพระปัณิบแก้วจึงได้มีพระพุทธติการ์ทว่ามมคลานะเมื่อกิจใดที่จยพึงมีในพระพุทธศาสนากิตนั้นเธอเข้าถึงแล้วแล้วก็เธอก็จบกิจแล้วนี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระบัณิบแก้วทรงกล่าว่าพระมหาโมคลานะเป็นพระอรหันต์แล้วในการนั้น ได่ทรงตัดประตอบไปว่ากิตอื่นในาศาสนานี้ไม่มีต่อไปจบกันเพียงเท่านี้เมื่องค์สาเร็จพระินแนศสีทรงตรัสอย่างนั้นพระพมคลาก็เห็นด้วยเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจเขาดานเบาการที่กิตเข้าถึงอาณาตพุนนบรรดาตัทฑา萨สังกชนและพระโยคาวาจรทั้งหลายคนนั้นมีอารมณ์เบา คำว่ารมหนักเกาะนั่นเกาะนี่ห่วงนั่นห่วงนี่แม้แต่ชีวิตสิ่สีย่อมไม่มีสำหรับท่านพระอรหันต์แล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็หมั่นคิดจิตของท่านจะตัดลงไปทีละน้อยละน้อยอย่าเพิ่มบรรนามตัวของเราเองว่ามันไม่สามารถจะทาได้ จงคิดไว้เสมอว่าท่านนั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มีอาการ32เหมือนเราพูดได้เดินได้เหมือนเราแต่ถ้ว่าท่านหลายเหล่านั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดที่จะตัดทะละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอารมณ์จิตก็ชินชินแล้วก็ปรากฏว่าเตี้ยจิตก็ตัด ก, กิเลสเพื่อหมดเฉตุตะบารานได้สาหรับเวลานี้ก็หมดเวลาเส็จแล้ว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 แล้วใครควรพิจารณาภาวนาไปในพระกรรมฐานตามอัตยาสัยของท่านจงกว่าจะได้เห็นเวล า, วาอันสมควรนนี้ว่าสมควรอมไรก็เลือกได้แต่อัตยาสัยการแนะนำแบบนี้ไม่จำกัดเวลาที่ว่าเป็นความดีอะลรสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้